อาจจะมีการถามตอบปัญหาหรืออธิบายเพิ่มเติมแล้วก็จะขะยัดเวลาไว้อีกส่วนหนึ่งให้ท่านได้ปฏิบัติเองโดยไม่ต้องพูดเพราะนั้นนับตั้งแต่บัรนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ขอให้ท่านผู้ที่ฟังการบรรยายนี้จงรู้ว่านี่เป็นภาคปฏิบัติท่านผู้ใดที่ไม่อาจจะนั่งหลับตาทำสมาธิได้การ ฟังในที่นี้ก็คงจะเป็นภาวะแห่งความทุกทรมานของบางคนแต่ว่าแม้ว่าจะมีบางท่านที่ไม่เคยนั่งหลับตาทำสมาธิเลยโดยประสบการณ์เนี่ยตั้งแง่แง่ของการฝึกมาเองแล้วกอการฝึกผู้อื่นเราก็พบว่าถ้าเราฝึกสมาธิจะด้วยวิธีใดก็ตามมีผู้ที่เขามี พลังสางสมาธิแล้วก็สามารถที่จะจูงเราไปสู่ประแสสมาธินั้นสมาธิจะเกิดได้ง่ายจะเกิดได้ดีดกว่าธรรมดาอันนี้เป็นประสบการณ์ที่อได้เห็นมานานแล้วอาจจะนั่งคนที่นั่งได้สักสามสามนาสามนาทีห้านาทีถ้ามีการจูงการนำสมาธิแล้วก็สามารถจะนั่งได้เป็นชั่วโมงหรือสองชั่วโมง นั้นท่นานผู้ใดที่ไม่เคยทําสมาธิไม่ชอบสมาธิก็ขอให้เนืเ้อเคลืั้งแต่เดี๋ยวนี้ว่าท่านมาฝึกสมาธิคิดและสมาธิคิดนี้ไม่ใช่เป็นการฝึกอย่างไม่มีคิดผางหรือเป็นการฝึกอย่างไม่ซ้ำ ม, มากหรือไม่รู้จะไปใช้อะไรนะครับเพื่อพูดง่ายว่าไม่ได้ฝึกแค่ความสงบท่านจะได้ทั้งความสงบแล้วก็ได้ทั้งการเอาพลังความสงบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงๆของทุกๆคนได้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 ให้เป็นที่สบายอาจจะนั่งในอ้องที่มีอากาศเป็นสัปปายะหรืออาจจะนั่งโคนต้นไม้ก็ได้แต่ว่าให้เลือกสถานที่เลือกเทศสาให้เป็นที่สบายที่สุดแล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวหมายถึงความพร้อมทางร่างกายอาจจะรียมาย้ึงการอาบน้ำอาบผ้าการจัดแต่งทาความสะอาด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 ไปโดยลำดับโดยลาดับเมื่อท่านหลับตาลงแล้วหากว่าท่านปวดท่านเมื่อยท่านก็สามารถที่จะเปลี่ยนระยาบทได้แต่ขอให้ฝืนท่านนิดหนึ่งฝืนมาเพราะว่าอย่าตามใจความรู้สึกมักง่ายว่านึกท่านก็จะเกาโดยไม่พิจรารณาโดยไม่แค่ดูธรรามะตะเลืออย่างคนขาดสติ ให้กาหนดรู้เสีย ก, ก่อนแล้วก็ดูว่าเราจําเป็นจะต้องทํำไหมถ้าไม่จําเป็นก็อย่าทําถ้าถ้าฝืนถ้าข่มได้สักเล็กน้อยก็ฝืนก็ข่มทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อว่าเราจะได้ฝึกยืดระยะหรือฝึกการข่มตัวเองให้อยู่ในภารกิจการงานคือการทําสมาธิให้ได้ยืดมิระยาวนานมากที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทําได้ ในโอกาสต่อไปนี้ในครั้งนี้ผมกำลังจะให้ท่านฝึกแผ่เมตตาในบทแรกที่สุดก็คือเราได้ยินคำว่าเมตตาและการแผ่เมตตามานานถ้าบางทีหลายคนจะนึกถึงคำท่องว่าสัพเพสัตตาอาเวลา อพยาปั ช, ชาอานิคาสุขิอตานังปริหะรันตุที่เป็นคำแผ่เมตตาของเราแล้วก็นึกว่าการพูดอย่างนี้เป็นการแผ่เมตตาแล้วความจริงเนื้อหาสาระของเมตตานั้นเป็นชือของความรู้สึกชนิดหนึ่งความรู้สึกอย่างไรที่เรียกว่าเมตตาบางคนก็ไม่เคยเข้าใจถึงความรู้สึกที่เรียกว่าเมตตาเมตตา จริงอยู่เราแปลกันว่าความรักแต่ความรักที่เป็นเมตตาตัวนี้ไม่ใช่เป็นความรักที่ตปนลักษณะของความยึดถือของความกำหนักของความเห็นแก่คนนั้นเห็นแก่คนนี้ด้วยอํานาจของตันหาด้วยอํานาจของราคะแต่เมตตา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 ที่ท่านต้องการจะให้ตัวเองได้คืออะไรในขณะนี้จะเป็นอะไรก็ตามท่านลงนึกถึงสิ่งนั้นแล้วก็นึกอธิษฐานหรือนึกให้พรแก่ตัวเองนึกทำความปรารถนาแก่ตัวเองว่าขอให้ท่านได้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเป็นอะไรขอให้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 ท่านลองนึกถึงความประสงค์อันนั้นแล้วก็อธิษฐานแผ่ความสำเร็จอวยพรให้ตัวเองว่าขอให้ท่านจงได้สำเร็จสิ่งนี้ขอให้สิ่งนี้สิ่งนีจงจ้จงสำเร็จแก่เราเถิดจงสำเร็จแกเราโดยเร็ว สำเร็จแก่เราโดยง่ายจงสำเร็จแก่เราโดยครบทั่วครบ้วนจงสำเร็จแก่เราอย่างประนีอย่างดีที่สุดจงสำเร็จแก่เราอย่างยั่งยืนและขอให้เราได้รับประโยชน์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 อันเรื่องด้วยความสำเร็จนั้นนั่นแหละคือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองในในส่วนหนึ่งหรือสิ่งที่ท่านไม่ต้องการไม่ปรารถนาไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือความเดือดร้อนความทุกข์ยากความลำบากใดๆ ที่กำลังปรากฏแก่ชีวิตของท่านในขณะนี้จะเป็นปัญหาใหม่หรือปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานมาแล้วก็ตามท่านก็จงนึกถึงสิ่งที่เด่นที่สุดอันนั้นที่ท่านไม่ปรารถนาอย่างชัดเจนจริงใจแล้วก็อธิษฐานแผ่เมตตาว่าขอให้ข้าพเจ้า จงค้นจากอุประสรรคข้อขัดข้องอุบัติอันตรลายสิ่งชั่วร้ายนี้โดยเร็วโดยง่ายโดยเด็ดขาดเถิดขอให้นึกแผ่อธิษฐาน ของแต่ละคนความต้องการของแต่ละคนความปรารถนาของแต่ละคนทุกคนก็เหมือนกันปรารถนาสิ่งที่ดีที่งามและปฏิเสธสิ่งที่ชั่วร้าย การกำหนดหมายและการตีค่าของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเมื่อท่านแพให้กับตัวเองจนได้ความรู้สึกที่สงบเย็นที่จริงใจแล้วยิ่งแพนานความรู้สึกของท่านก็จะดิ่งลึกเกิดเมตตาเกิดความสงบระงับ และเมื่อท่านนึกถึงบุคคลอื่นบุคคลอื่นที่ควรจะนึกถึงก่อนนั้นขอให้นึกถึงคนที่ท่านรักท่านเคารพนับถืออย่างมากที่สุดท่านห่วงใยเขามากที่สุดเป็นลำดับต่อจากท่านอาจจะเป็นบุตรของท่านมารดาหรือบิดา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 ขอให้ท่านให้พรเขาในใจสแสดงความปรารถนาดีอธิษฐานให้เขาในใจว่าสิ่งที่เขาต้องการเรื่องนี้เรื่องนี้ขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จส่งจิตโลกเปลี่ยนไปถึงบุคคล น, นั้นแล้วแล้วเหล่าๆใส่ความรู้สึก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 ที่ให้ท่านกำหนดจิตโดยลำดับตั้งแต่พ้นจนบัดนี้ก็เพียงเพื่อให้ท่านรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าเมตตาจิตเท่านั้นก่อนนี่แหละคือเมตตาจิตเมื่อท่านขยายความรู้สึกนี้ให้ดิ่งลึกยิ่งขึ้นแผ่ออกไปยังบุคคลอื่นโดยพ้นข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็นคนที่ท่านรักน้อยหรือไม่ว่าจะเป็นคนที่ท่านรู้จักแต่ไม่รักไม่ชังคือคนปานกลางหรือไปสู่คนที่ท่านเกลียดเล็กน้อยหรือแพ่ไปยังคนที่ท่านเกลียดยังมากที่เป็นคู่เวียนกันถ้าความรู้สึกนี้ท่านไม่สะทกสถ้านนั่นหมายความว่าเมตตาของท่าน ประสบความสําเร็จคือสามารถที่จะถอนพรมแดนของความรักด้วยเมตตาจิตที่มีต่อบุคคลอื่นได้อย่างดีท่านลองนึกถึงคนที่ท่านเกลียดดูสิในขณะนี้นึกถึงคนที่ท่านเกลียดจะเกลียดด้วยเหตุว่าเขาเป็นคนไม่ดีท่านเป็นคนดี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 ลองนึกถึงคนเกลียดที่สุดดูท่านก็จะรู้สึกว่าเมตตาช่งนัคนที่ไม่มีคนเกลียดเลยนั้นคงไม่มีอย่างน้อยก็มีคนที่เกลียดบางครั้งบางคราวในขณะที่ท่านโกรธใครในบางครั้งบางคราวก็ถือว่าเป็นความเกลียดชังชั่วการดตอนที่ท่านโกรธเขาในขณะนั้น ท่านจะพูดดีๆยังทำได้โดยยากจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการส่งความปรารถนาดีอวยพรเขาด้วยความจริงใจนี่แหละคือจิตที่ไม่เป็นเมตตาท่านก็ลองเทียบความรู้ฝึกนี้ดูว่าเมื่อจิตท่านเป็นเมตตากับเมื่อจิตของท่านเป็นโทสะไม่มีเมตตา อันไหนให้ประโยชน์แก่ความรู้สึกนึกคิดของท่านดีกว่ากันกกนี่คือการวัดอุณโภมในจิตของเราแล้วก็ทีท่จริงเราสามารถที่จะวัดผลได้ในทางตายภาพในทางความสัมพันธ์ในแง่มุมต่างๆได้โดยเช่นเดียวกันขณะนี้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 ในใจของท่านแตกต่างกันด้วยนี่คือตัวเมตตากอนนี้คำว่าการแผ่โบราณใช้คำว่าแผ่ภาษาบาลีใช้คำว่าพริตตวแะแปลว่าแผ่แผ่คืออะไรขอให้ท่านหลับตาและนึกตาม ที่ผมจะอธิบายและอลองทําใจตามไปด้วยคำว่าการแผ่หมายถึงการส่งความคิดของเราไปถึงคนนั้นคนนี้เราส่งความปรารถนาดีหรือหรือพูดง่ายๆว่าคิดถึงใครด้วยความปรารถนาอันเป็นเมตตาที่เราได้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 ส่วจะไปถึงได้อย่างไรนั้นเราจะได้พูดกันในโอกาสต่างๆต่อไปนี่แหละคือการแผ่อย่าสับสนหรืออย่าสงสัยว่าการแผ่เมตตาจิตอนี้คือทําอย่างไรก็ขอให้นึกว่าคือการนึกถึงแต่ว่าอาการนึกถึงอาการนึกถึงนี้อาจจะมีอาการหรือมีประการ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 สภาพที่เหมือนตัวเองเล่นกีฬาทางจิตยกตัวอย่างเช่นถ้าคนสมาธิผิดดีเมื่อนึกถึงคนใดคนหนึ่งหรือมากคนหรือสรรพสัตว์ทั่วไปทั้งโลกทั้งจั ก, กรวาลจะมีความรู้สึกว่ามีไข่พุ่งออกไปจากจิตของตัว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 เรียกบุคคลนั้นมาพบมาหาหรือทำให้บุคคลนั้นละลึกขึงเราหรือเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลนั้นที่ไม่เข้าใจกันกับเราให้เข้าใจกันสามารถที่จะทำได้สิ่งเหล่านี้เป็นความแยบยลของการแผเ่เมตตาที่มีพิศารหลากหลายออกไปในที่นี้นั้นจะให้ท่านลอง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 ก็ให้หลับ กำลังใจและไม่เห็นเป็นของกล่าวประโยชน์เขาเดินมาเป็นกลุ่มก็ให้นึกรักเห็นฝูงสัตว์ก็ให้นึกรักเห็นมูเห็นสัตว์หน้าเกลียดไสเดือดกิ่งกือเห็นนี้แล้วก็ให้หัดนึครับอย่างนี้เป็นการแผ่เมตตาอย่างง่ายคนที่มีอุปนิสัยทางเมตตาจะเป็นพระหรือจะเป็น คนอย่างเราๆจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ได้ง่ายแต่ถ้าคนที่อไม่ได้ฝึกทางนี้มาก็อาจจะเกิดความรู้สึกได้ยากแยกไม่เห็นสาระก็ได้ขอให้ไม่กวนเราลองหัดฝึกมีเป็นเป็นเบื้องต้นเป็นการแผยอย่างง่ายเบื้องต้นถ้า จะถามว่าแล้วจะทําให้เกิดความรู้สึกนึกลับอย่างไรนั้นนะ่ะถ้าท่านฝึกไปเรื่อยท่านก็จะมีแง่มุมเห็นเราเห็นคนกาลาล้วก็นึกรับเห็นคนอบันนอกเงี้เงเงี้เราก็นึกเอ็นดูนะครับมันมีแง่มีมุมที่จะทําให้นึกรับถ้าเราโยนิโสมัสิการดีในรักฐการนึกอย่างนี้สําหรับคนที่มีเมตตาเป็นเจ้าเรือน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 จะนึกถึงใครเดินสวนทางกับใครหรือแม้แต่มีสัตว์มาไปมาตอมมาขโมยของบริโภค ก, <อ>ก็นึกเย็นดูไปหมดอย่างนี้ละเมตตาเข้ากระดูกดบและคนพวกนี้จะมีพลังเมตตา<อ>สูงเช่นสังฆราชไกรเทือนหรือสังฆราชวัดครับ กายป่าเห็นแล้วก็รับท่านเข้ามาปรวนเปลี่ยนอยู่ใกล้ท่านอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นความสําเร็จของเพจตาแล้วก็มีพลังมากด้วยสำหรับเรานั้นยังไม่ถึงขั้นความสำเร็จเราก็ฝุดหัดขําเหตุไปก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างได้มากได้ร้อยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทํา ีเป็นการแผ่อย่างง่ายที่สุดขอให้ท่านลองนึกตามไปด้วยอีกอย่างหนึ่งคื อ, ก า, อการให้พรการให้พรหรือการอวยพรในใจเห็นคนเขาหาของขาย เราเห็นแล้วก็นึกรักนึกสงสารนึกเข็นใจว่าเขาต้องลาบากต้องมาหาขนมขายหาตรวต้มขายวันๆจะได้กาไรเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นการตั้งยโยนิโสคิดแล้วก็อวยพรให้เขาอวยพรให้เขาอย่างเป็นกิจลักษณะคือการอวยพรในใจ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 แค่รักเขาไม่พอแค่อวยพรเขาไม่พอถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานก็คืออธิษฐานโดยตัดจัารว่าเราได้ทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้ไว้ช่วระยะเวลาเท่านั้นตอนนี้หรือเมื่อเช้าได้ทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือได้ทำความดีซึ่งเกี่ยวกับปัญหาชีวิตของเขา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 ใครสักคนหนึ่งทึ่เป็นที่รักของท่านป่วยอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นที่รักของท่านกำลังได้รับความทุกข์ใจประสบปัญหาชีวิตปัญหาหน้าที่การงานอย่างใดอย่างหนึง่งให้ท่านนึดถึงเขาและตั้งสัตย์แผ่ความปรารถนาดีให้เขาถ้าท่านไมตข้ามาก ท่านก็ทำบ่อยๆการทำอย่างนี้บางทีคนที่ป่วยทางจิตท่านอาจจะทำให้วก็าหายจากการป่วยทางจิตได้ในการตั้งสัตอธิษฐานจิตอย่างนี้ความดีของท่านมีอยู่ที่ท่านมั่นใจท่านแน่ใจท่านสามารถอ้างเป็นสัจาธิษฐานแผ่ให้กับบุคคลที่เขาต้องการความช่วยเหลือได้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 ชันสูงเส ด, ด็จนี่ก็เป็นบุญที่สามารถแผ่ได้หรือเป็นบุญที่ท่านได้ทำมาก่อนหน้านี้สดสดร้อนร้อนคือการใส่บาตรการได้ช่วยเหลือคนเป็นกรณีบุญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นบุญที่เป็นกรอบเป็นกรรมเป็นเรื่องเป็นราวเช่นท่านอาจจะได้บวชมาหนึ่งพรรษาบวช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 เราแสดงความปรารถนาดีหรือรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยแต่พอเขาขัดสนเรื่องใดเรื่องหอนึ่งเราให้เขาไม่ได้แสดงว่าเมตตาเราน้อยหรือไม่ได้ขวนขวายจะให้อะไรนอกจากแสดงความรักเท่า น, นั้นเมตตาเราก็มีกําลังน้อยแต่ถ้าเราขวนขวายหรือสามารถจะให้อะไรบางอย่างได้ด้วยแม้ในสิ่งที่ให้ได้ยากนั่น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 ที่ใดที่หนึ่งเอเรื่องนี้น่ะมีความสําคัญแม้ว่าจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อเราจะได้คัดเอามาเป็นบทฝึกแก้เฉพาะในภายหลังต่อไปเอเช่นว่าเราจะไปสมัครทํางานในที่ใดที่หนึ่งหรือเราจะไปติดต่อการงานในที่ใดที่หนึ่งเราทําบุญใส่าบาทแล้วก็อุทิส่วนกุศลให้ แผ่เมตตาให้ก่อนหน้าที่จะมาหรือเมื่อเดินทางมาถึงมานั่งสมาธิอธิษฐานนงบนแผ่ให้แล้วก็ขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์โดยทรรโดยไม่ลบคิดแต่จะได้ไทายเดียวก็สามารถที่จะทำให้เกิดผลประหลาดขึ้นได้หรือว่าเราไปอยู่ในที่ที่มีคนตายยกตัวอย่างเช่นปา่าช้าขออนุญาตเล่าปรกกอน แล้วขอให้ท่านฟังด้วยสมาธิท่านอาจจะนึกถึงสภาพอย่างนี้ในประสบการณ์ท่านแล้วก็ลองแผ่บุญไปด้วยก็ได้คืออย่างการณีเช่น อ, อ, อาจารย์คนหนึ่งท่านอยูมอะไรกะเศร็แล้วท่านก็ทำภารกิจอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแหล่งน้ำซึ่งก็ถือเป็นบุญแล้วก็ท่านก็ไปกางเป็นค้าง ที่หนึ่งอยู่ที่จังหวัดสกลคนครซึ่งเป็นเขตปา่าช้าโดยที่ท่านไม่รู้เสร็จแล้วก็กลงคืนเนี้ยก็มีพวกโอเบอร์เกาศคือพวกผีพวกเปรตจะมากันเข้าแถวมาขอน้ําโดยที่ท่านเองก็ไม่รู้ก็นึกว่าผีก็ทําใจดีชุวยสู้เสือไอ้บางตัวกระโดนพันธนาการขาพันธนาการมือเดินโมกีขององี้กันมา เมมาขอน้ําท่านต่อน้ําเนี่ยเทกับพื้นแล้วมันก็ดูดกินแล้วกินแล้วก็ถอยออกไปเข้าแถวเรียบร้อยต้นแล้วต้นเล่าต้นแล้วต้นเหล่านี่ไออย่างนี้ก็ไม่ไม่เป็นการกระทําที่สมบูรณ์นะเพราะว่าท่านเองก็ไม่เข้าใจอะไรมากกว่านี้เออก็เป็นเป็นสิ่งที่ท่านได้เจอมาแล้วก็มาคุยกับผมเมื่อสักห้าหกวันมานี้นิดการณ์นี้อย่างนี้ว่าการณ์นี้ของท่านอาจารย์คนนี้ าอาจารย์ทักเต น, นี้ท่านทาบุญในทางสร้างแหล่งน้ำมาเยอะพวก อ, อคนทุกคนเดืร้อนผู้ผีปีศาจที่เขาเ ด, ดร้อนก็เหมือนคนเขารู้ว่าถ้าเรื่องนี้ต้องไปขอความช่วยเหลือคนนี้ก็คนนี้มีพลังมีอํานาจที่จะให้ในเรื่องนี้ได้เขาก็ไปขอคนนั้น อ, อฉันใดก็ฉันนั้นพวกนี้ก็เหมือนกันเขาก็มาขอท่านก็เทให้แล้วก็อิ่มน้าสำลักลับกันไป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 ถ้าหากว่าท่านเคยนั่งสมาธิและเคยแผ่เมตตาท่านลองนึกดูว่าเมื่อท่านแผ่เมตตาออกไปในขณะที่ท่านหลับตา่ยหรือแม้จะไปเดินสวนทางไกลกระตาท่านแผ่แล้วท่านมีอาการทางจิตอย่างไรบางคนนั้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็แผ่เมตตาคลุบไปกับลมหายใจ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 แล้วก็หายใจเข้าเป็นสิ่งนำสิ่งเข้าเราต้องการประสานผลประโยชน์กลับมาหาเราแล้วก็แล้วก็แผ่หายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นานเท่านานเท่าที่เราต้องการจะทําหรือเท่าที่เราสามารถจะทําได้บางคนทําได้อย่างนี้แสดงว่าสมาธิอีกดีก็อาศัยนิดเป็นเครื่องช่วยส่งเมตตา ไปถึงบุคคล น, นั้นด้วยลมหายใจของตัวถ้าบางคนแผ่เมตตาออกไปเช่นแผ่ไปถึงบุคคลใดไอ้ทิศทางของการแผ่ว่าเราแผ่ไปในมุมโดยตรงพุ่งไปถึงคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเมื่อหลับตาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่า ไอ้กระแสะลมในตัวของเราเนี่ยวนอู้ไปสู่บุคคลนั้นเหมือนมีกระแสะลมอันเอาาิบาดพุ่งจากตัวเราไปสู่บุคคลนั้นพุ่งไปพุ่งไปอย่างเดียวก็ได้หรือบางครั้งก็อาจจะแผน่นลักษณะวนรอบคือกระแสะในตัวเนี่ยวนรอบ รอบไปเรื่อยๆ เ, เหมือนกับเปลวควันหรือเหมือนกับหมอกที่ขึ้อนออกไปจากตัวเหลาแพรอ อ, ออกไปออกไปออกไปออกไ ป, ออกไปแพ่ครอบคลุมพื้นที่แพ่์ครอบคลุมกลุ่ ม, บ, มบุคคลถ้าเรามีความรู้สึกว่ากระแสนั้นเย็นกระแสนั้นละเอียดละเมียดละไมเท่าไหร่คนที่มีประสบการณ์กับการแผรเมตตา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 แผรไปทั่วทั้งโลกหรือแผรไปทั่วทุกภูมิทั่วทุกทิศทางก็ได้คนที่ฝึกสมาธิไม่ถึงนั้นอาจจะไม่เกิดความรู้สึกที่ชัดเจนหรือทำไม่ได้ก็อาจจะต้อ ง, ส ร, งสร้างมโนภาพสร้างมโนภาพเอาเองเป็นเครื่องช่วยไปก่อนถ้าเรานั่งแผรเมตตาชั่วโมงสองชั่วโมงก็ทำอย่างนี้ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วสิบนาทีห้านาที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 เมื่อเราหลับตาแล้วก็ส่งความคิดไปรอบๆเหมือนเราส่งความคิดไปรอบๆตัวหลับขยายพื้นที่ออกไปขยายรัศมีวงกลมโดยรอบออกไปไกลออกไปออกไปออกไปนี่เรียกว่าเป็นการแผ่แบบไม่จอจุยังไม่มีที่ติ้นสุดอ่า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 หรืออาจจะนึกได้ว่าเอาเรามานี่คนที่เราเป็นห่วงลืมฝากการดูแลไว้หรือว่าเราอาจจะกลับข้ามเกินเวลาที่จะแน่ใจได้ว่าเขาจะไม่ประสบอันตรายเราก็กำหนดจิตนั่งสมาธิแล้วก็ทำความรู้สึกว่าตัวเราเี่ยกลับไป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 โดยเมตตาจิตภาพยิ่งชัดยิ่งจริงจังยิ่งมีผลมันอันนี้แหะเป็นจะเป็นวิธีการที่เราจะ<ม>อนุเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นได้ได้อย่างชนิดที่ไม่ต้องพึ่งเทศ่ะแล้วก็เกิดผลจริงจริงเกิดผลจริงๆคนกระวนกระวายทิดถึงเราเนยเราทำให้เขาไม่คิดถึงก็ได้ เขาอยู่เย็นไม่คิดถึงได้สิ่งเหล่านี้ผู้แนะนำได้ประสบเหตุประสบการส่วนตัวมาซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจนชัดเจนแน่นอนก็จะมีวิธีการฝึกจริงๆเนี่ยแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยเราจะใช้เวลากันเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่จบง่ายๆนี่ก็เป็นเพียงเรื่องต้นที่จะทำให้ท่านเห็น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 จึงไม่แปลกเลยที่เรียกว่าเมตตานั้นแต่ทำให้เป็นที่รักของมนุษย์ของอามนุษย์แนนิสงก็เมตตาป้องกันอุบัติอันตรายที่จะมาถึงตัวมาถึงท ร, รัพย์สินมาถึงคนเป็นที่หลักสามารถทำได้ขอให้มาลองฝึกและลองปฏิบัติโดยลำดับกันต่อไปเนี่ยนะฮะทั้งหมดนี้ผมพูดถึงวิธีการ เพื่มมือที่ใช้ในการแผ่เมตตาหรือเพิ่มพลังเมตตามีอะไรบ้างและาอาการส่งเมตตาไปส่งด้วย อ, อาการอย่างไรบ้างแต่ละอย่างเหล่านี้เป็นหัวข้อสังเกตที่ท่านให้ลองทำแบบได้รู้ว่าเืออะไร ได้พูดบรรยายให้เชิงแนะนำมาจนได้เวลาหนึ่งชั่วโมงเหตุว่าพวกเรานน้นคราดกันถ้าเมื่อท่านฟังจากเทศเนี่ยท่านสามารถจะนั่งปฏิบัติได้ตามความสะดวกของท่านจะทำแค่ไหนก็สามารถทำได้ทำหลายๆครั้งขึ้น ท่านก็สามารถทําได้สนิทแนบแน่นขึ้นแท่านจะมีความพร้อมการเตรียมพร้อมดีกว่าท่านมาฟังสดๆอย่างนี้ก็ขณะนี้ท่านเองท่านอาจจะเหนื่อยจากการงานอะไรอะไรกันมานี่ยก็คือหรือให้เป็นเรื่องธรรมดาที่ทําและอาจจะม่วงบางอะไรบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกของท่านก็อาจจะทําได้ดีก็เป็นตัวเยงว่าการบรรยายครั้งนี้การนําสมาธิครั้งนี้ ให้ทบลองทาใจตามดูอย่างแนะนำให้เกิดความข้าใจตรงนั้นเป็นจุดสำคัญหลังจากนี้ครับก็จะให้ท่านทั้งหลายที่อาจจะมีปัญหาที่อยากจะรักถาพูดคุยให้ทักษาพูดคุย โดยกันกุย ก, ก, ก, ก, ก, กันเสร็จแล้วก็จะได้ฝึกทิงท้ายก่อนจะกลับบ้านกันกทีครับทาไม่ถามผมผมถามก็แล้วกันนะมีใครบ้างที่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยตั้งแต่เกิดมาจากน้องพ่อท้องแม่มีไหมไม่เคยเลยก็เคยหลัปตาเลยไม่รู้สมาธิเป็นไรอาจารย์ว่าเคยทุกคนคงจะเคยมากเคยน้อยต่างกันอา้าวเเคยก็ดีแล้วนะ มีใครบ้างที่ไม่เคยแผลเมตตาเลยจะด้วยแผลในเรืงพิธีกรรมพิธีกา ร, รทางกายภาพมาตัดเจตตาดีบ้างไหมไม่มีอันขออนุโมทนานเลืที่สองแล้วก็มีใครบ้างที่แผลเมตต า, ล แ, าแล้วแผแลกีล่ทีกีดีแล้วจะแฝงใจมาต่างไม่รู้ว่าเมตตาเป็นไง ไม่รู้ว่ามือเป็นรัก่าไม่รู้ว่าแผลเป็ไงไม่รู้ว่าเมตายป็นไงอไอ้ตรงนี้นี่ะผมไอ้แผลยังไงนั่นเหมือนเดียวไม่เข้าใจว่าเมตายป็นไงคือถ้าไม่ฝึกเนี่ยมันมันก็จับไม่จริงจริงเราก็มีเมตาทุกคนนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอามาใช้ในลักษณะแผ่แล้วก็ไม่นไดว่าเราเราก็มีมีการแผ่อยู่โดยปริยายในชีวิตเราอยู่เหมือนกันนะ เราไปเจอใครแล้วนึกรักนึกเอ็นดูนะะมันก็เป็นลักษณะของเมตตาเหมือนกันแต่เพียงว่ามันไม่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่เป็นทางการเหมือนอย่างเราหลับตาทำผมเนี่ยก็ฝึกสมาธิแบบแผ่เมตตา ม, มาตั้งแต่สมัยได้แฝดแ ล, ล้วเราปีสองพันารอยสิบสามนะที่ที่รู้จักทํานี่ก็ไม่ได้มีโฟบาร์จะอาไัยหนังสือการตบกแล้วก็มาหาอ่านสอนมาธิแลวก็ทาทีแรกก็ไม่รู้ ท่องคำแผลเมตตามาทองทองไม่รู้แผลเมตตาแล้วก็ในหนังสือเขาบอกว่าแผ่แล้วมันมีเตะทาไมเราท่องทองไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นอ่าอ่าอ่าให้เตะเข่าแล้ให้เดินถ้าออกเดี๋ยวให้คนเตะคือวิธีเนี่ยมันสามารถพลิกแปงได้ดีจ่ะเป็นนั้นมากนะผมก็จะแนะนาเท่าที่มันเป็นประสบการณ์ผมะนะ แต่ก็เชื่อว่าสิ่งที่จะแนะนําเนี่ยไม่น่าจะมีใครเคยสอนนะในลักษณะอย่างสอนทั้งในแง่วัตถุประสงค์ในแง่อะไรต่างๆอย่างเป็นเชิงปฏิบัติอย่าไม่ไม่อาศัยตำลาบมาสอนนะเมตตาในวิสุทธิมรรคเนี่ยเราก็รู้อยู่สําหรับคนที่คุณตกับเรื่องนี้แต่นี่จะจะเอาภาคปฏิบัติแล้วให้เราเนี่ยเอาไปทําให้เกิดผลจริงๆเกิดผลมากเกิดผลน้อย แล้วก็เดี๋ยวนี้นะ่าทำมาจนมั่นใจว่าเกิดผลแล้วเราคิดเองไม่น่าทําได้ไงต้องการต้องการเงินแผ่เมตตาเงินมากับเมตตาผนะู้และเดี๋ยวโลบแต่มันมีวิธีต้องการความเช่วยเหลืออะไร้็หนึ่งก็แผ่อะไรเงี้ยมันมีวิธีแล้วก็เราเราแผ่ไปยังบริสุทธิ์แล้ไม่ใจลบเลยนะและไม่ต้องบังคับด้วยแล้วก็มาแบบ ได้ประโยชน์ทั้งคู่แบบแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายช่วยเราเนี่ยกับเขาก็ได้ประโยชน์บางอย่างในลักษณะบางทีเราเขากับได้ประโยชน์จากเรามากกว่าที่เราได้ประโยชน์จากเขานาะ mm hmm. ทีนี้ที่เรื่องอย่างเนี้ยประสบการณ์ที่เล่ามากก็ไม่ดี อ, mm hmm. อ่ะแต่ว่าก็จะจะเล่าแล้วหลายคนที่เอาไปใช้เนี่ยก็ก็ยืนยันมาหลายคนนะแต่บางคนก็ทําได้ดีกว่าผมเองคนแนะนําเพราะว่า โดยลำดับถัดมาแล้วสมาธิจิตท่านดีกว่าคือคนที่ทัเลาะ ก, กันพูดก็ไม่เลิกสามารถจะแผลให้มะงอได้อันเซจันมากเลยจะไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศเนี่ย น, นะส่งเมตตาไปแล้นะโอ้โหกลายเป็นเป็นคู่ค้าพิเศษเลยม เรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่เราต้องชั่งน้ําหนักเราระวังอกาลังของปัญหากําลังทำที่เรามีนะเราเองต้องมีหน้าที่เพิ่มกําลังทําเพราะว่าไอ้ไอความขัดแย้งบางที่แค่เพาโทษทีเดียวหลุดลก็มีอย่างนี้แล้วกําลังมันไม่น้อยไอ้มันไม่มากมันน้อยถ้ากําลังแรงเราต้องเพิ่มพลังเพิ่มพลังมากๆเนี่ยอเออมัน เ, นเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงได้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 ไม่ใช่เรื่องเลวเา้ายอะไรเรื่องนี้ทําได้ อ, อแต่ว่าขณะนี้ทุกคนรู้จักว่าเมตตาเป็นไงแล้วนะของพอเลื่อได้นะต่อเมตตามันมันเป็นเป็นความรู้สึกแบบนี้ออ ก, ออก็เป็นอะไรเอออ่าใช่ใช่ใช่ใ ช, ใช่ความรักก็ถึงบอกว่ามันเป็นอีกขั้นหนึ่งอ่ะอีกขั้นหนึ่งว่า เรียกว่าลําดับการฝึกเนี่ยว่าเราจะแผลใจ้ใครก่อนก็มีลําดับอันนี้เป็นเรื่องของตำร า, าแต่เป็นเรื่องของของเวลาเราแผ่จริงๆก็ต้องจะ่าัยลาลาต้องอาศัยตัวเองเป็นที่ตัง้งนะคือเมตตาจะเกิดก็อาศัยความผูกพันอาศัยอุปาทานอาศัยความรักเนี่ยนะเป็นเชื้ออาศัยพอเมตตาเกิดแล้วเมตตาจะเสียก็เสียได้ไอความรักความผูกพันเหมือนกันเขาเรียกว่าตัณหาเนี่ยใกล้เมตตา ใช่เมื่อเราจะสร้างเมตตาอาศัยตัณหาเป็นเชื้อพอพอเมตตาเกิดแล้วตัณหาจะเสียเสียดิษแม่ตาจะเสียเสียที่ตัณหาอีกคือเราไปเห็นแก่ตัวไปเห็นแก่ทําไปทํามาผมถึงบอกนะเมื่อเมื่อสองวันนะี้บอกว่าบางคนเนะี่ยแผลเมตตาแล้วมันช้าเลือดช้าหนองคือพูดอย่างเนี้ยคนเจ้าปัญหารู้เพราะอะไรสมาธิดีแผลเมตตาเก่ง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 ที่โกมาแล้วก็ไมทําให้เรียบร้อยไม่ใจมั้ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแผลเท่าไร่เท่าไหรก็ เ, เดี๋ยวก็ดีดกลับปัญหาเข้ามากวดแต่นั้นไอ้ตรงนี้ถ้าถ้าทําไปทําหมายมันจะกลายเป็นเรื่องใช้พลังทางขลังไอ้ใช้พลังทางขลังเนี่ยในที่สุดแล้วพลังถูกทําลายเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะไม่คํานึงถึงการสร้างรากฐานศีลไม่บริสุทธิ์สบง่ายนะศีลไม่บริสุทธิ์ จะไม่จริงจีงิใช้แต่พลังที่จะเอาเปรียบแต่เมตตาจริงๆเนี่ยจะต้องทําทุกอย่างให้ดีแล้วเมตตาจะมีพลังมากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะเห mm hmm. ็นไหเราจะได้ฆ่าให้บอก mm hmm. เ อ, อไม่ย่อไม่ฆ่าซะดีมาสัตว์ตสัตาแต่เมตตาหักไม่ให้ยิงซะดีๆไม่ให้ฆ่าซะดีๆ mm hmm. อ อ, อย่างนี้มันจะมันจะได้อย่างไรล่ะ ถ้าเป็นศัพท์ก็ละแวกิมันเมตตาเหยื่อมาล่อเอาเมตตาเป็นเหยื่อหรอมันก็ําเลี้ยเตี้ยงหนออลูกีลูกคนเพราะไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการแผ่เมตตาที่จะว่าก็ตอไปเนี่ยไม่ใช่เมตตาแผ่เพื่อจะเอาคนแผ่จะเพื่อประสานคนที่ใช้ร่วมประสานผลประโยชน์แผ่ประสานผลประโยชน์เพราะว่าใ ใครเขาให้เรานะเขาต้องได้ผลประโยชน์บางอย่างนะจะให้จะรับพันธกันในมุมใดก็ตามเขาต้องได้ผลประโยชน์บางอย่างไอผ้ผลประโยชน์เราจะนึกอะไรไม่ออกแต่ว่าเราก็ต้องนึกแผลไว้เนี่ยนั้นให้ธรรมะมันจัดผลประโยชน์ให้ประสานกันเองมันก็จะออกมาดีอย่างพระเงี้ยยกตัวอย่างร้าเวลาแผลเมตตาขอคอยเจเลยจะไกลในในกิจที่พระนั่นจะตั้งอะไรบางอย่างนะพระเก่งๆนั่นจะแผ แผ่ไปเรื่องบุญนี้เป็นของใครนะเหมือนพระจะออกนี่รอดสมาบัติบุญนี้เป็นของใครขอให้คนนั้นได้ทำบุญไม่ใช่ว่าเราจะสร้างโบสถ์ใครน่าจะเป็นเหยื่อเราใครจะไม่เหยื่อสมองแเอวก็ไปทำไปเขารู้สึกเขาไม่ได้อะไรนะเขาบริจาคแล้วเขาก็มีความทุกข์ใจเป็นอกุศลวัาใจเป็นอกุศลวีบากมันก็ไม่แรงกลายเป็น ไปเอาแล้วเอาเปรียบเขาไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีเอ่อพวกปลาดีๆทำ่มมันจะเป็นตัวบาสีวิชัยหรืออะไรๆท่านเนี่ยนะท่านทำแบบนี้แล้วยิ่งแพเท่าไหร่เนี่ยยิ่งโหยเพื่อนมากประสานผลไม่โยชน์ได้มากเพราะไอเราเองเนี่ยบางทีเรามีพลังบางอย่างที่คนบางคนน่ยก็จะได้อยากเราแต่เราไม่รู้นะเราไม่รู้ ไอเราเนก็เออะไรจะไปขอความช่วยเนะเขาไม่ได้อะไรจากเราเลยคือไอบางคนอาจจะไม่ได้แต่คนที่เขาจะเข้ามานะขนาดเชื่อมประสานคมประยชน์เนี่ยมีเราต้องใช้วิธีให้ธรรมะเขาเลือกมานะบางทีไอเราเลือกเองได้ได้วยข้อมูลทางความคิดเนี่ยมันมันอาจจะพลาดได้หรือบางทีใช้ทั้งสองอย่างประกอบกันข้อมูลทางความคิดหรือบางทีก็แต้ข้อมูลทางทางความคิดทางไอสิ่งที่เห็นแล้วเนี่ยเห็นกระตาเนี่ย มันมีให้เลือกสาวเราก็ไม่รู้จะเลือกใครดีไอ้ังมานั่งรักพี่ไปได้เนาะเพราะนั้นก็ต้องแผงว่ใครนะให้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเวลาเลือกซื้อที่เลือกซื้ออะไรผมไม่ใช่วิธีบางทีมันไม่รู้นะบางทีคนเทียร์เนี่ยเทียร์อย่างมีข้อมูลไปเยอะต่เวลาเราหลับตาแผงอู่แล้วเนี่ยมันพูกตีข้างเนี่ยนะมัน ก, ก็ต้องเชื่อเราก็ต้องเชื่อใจ เชื่อใจว่าต้องอย่างนี้แต่ึงสอสทนะ่านแม่ทั้งเลือดคู่รองเลือดใครตัดใครทำได้หมดเกิดเพื่อลดลงงานเรารับสมัครแล้วคนมาช่วยทำงานมีสองคนจะเลือกใครดีอะไรเงี้ยนะก็ต้องใช้วิธีนี้แล้วจะจะเป็นตัวกันกลองที่ดีเนี่ยก็จะได้ไปแนะนําลูกหลานแนะนำใครตัดใครด้วยเรวก็ไปฝึกใช้เงีง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 บอกว่าคนไกลแม่อยู่้ตํานวนโบราคนใกล้ก็เหมือนคนไกล้มีคําบอบๆเป็นคำํำสุดๆเหมือนอยู่ไกลแค่ไหนก็เหมือนใกล้ะใกล้ความรู้สึกอันนี้ก็เรียกใกล้ใกล้ในทางความรู้สึกถ้าจะพูดถึงในแง่ของอ่าผลในทางการฝึกกิจเนี่ย คนใกล้ในทางรู้สึกเนี่ต้องเอามาก่อนแดี๋ยวอย่างาตัวนี้นี่ก็จะให้ลองฝึกหลูเหมือนกันแต่ว่ามันหมดเวลาแล้วก่อนว่าเราจะแผ่ให้ใครก่อนแล้วลำดับคนเนี่ยเราจะลำดับแบบไหนแบบไหนนะฮะไอ้ตรงนี้อาจจะเป็ น, ปนคราวหน้าลำดับถ้าเราแผ่ยันอยู่ตัวเนะี่ยมดว่าเราเหมือนยังผมไปไปเข้ากรรมาฐานจากกลังเนี่ยก็ ก็จะแผ่เมตตาให้กับคนที่รักใกล่กันในเครือกูนเนี่ยเวลาเราแผ่แต่ละโอกาสแต่ละหนเนี่ยบางทีใครโผกําหนดจิตไว้เนี่ยใครก่อนเนี่ยก็จะโผล่เลยบางทีมันไม่ใช่ลําดับอย่างที่เราจัดคิวไว้ในใจนะโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าใครควรแผ่ก่อนเพราะตอนนั้นแปลว่าเราพร้อมที่จะให้ดูคนเท่ากันเราไม่ต้องการการฝุดแบบเราต้องการการที่จะให้ใครวะล่ะ ก็โผลบางคนเนี่ยคนที่ให้น้าให้ที่หลังมาก่อนนะก็เพราะมันมีไอ้เหตุผลบางอย่างแฝงอยู่ในนะั้นเหมือนเมือม่อเมือม่อวานเนี่ยเมื่อเมื่อผมเพิ่งมาจากจากศรีลังกามาย็นถึงมาเช้าหกโมงก็ไม่ได้หลับได้อนอนนี่ก็ก็ไปก็คุยธรรมะอะไรกันมีคนหนึ่งเข า, าก็บอกว่า เมื่อก่อนเนี่ยเวลาก็แผ่เมตตาให้พ่อกับแม่เนี่ยนะเขาจะแผลให้กับแม่ก่อนทุกทีเลยมาพ่อที่หลังเพราะว่าพ่อเนี่ยแม่ไม่ค่ยจะตาไม่ค่ต้องกันเน่ะผมไอเ้เจ๊ก็รู้หมดว่าใครมีคนมีเจ๊เสียงแต่แม่เนี่ยอ่รักใครผ่ผูกพันก็แผลมาถึงแม้ว่าจะเอาใจใส่มากกว่านั้น แต่พอเราพอไปอยู่ที่ไปอยู่นานๆแค่นนนเนี้ยแล้ะพอที่หลังแล้วพอจะนึกแผลไม่ตายปอนพ่ อ, อ, อมาก่อนแล้วก็เลยมันเอ๊ะทําไมเป็นอย่างนั้นก็ได้คําตอบเลยผมจะเล่าเลยเดี่ยะเกิดเขามาฟังเพลงก็แบเขาเอา่าก็ขออนุญาตเล่าต่อตามรู้กัะคือมาได้คาตอบมาที่พ่อต้องมีพุติกรรมอย่างนั้นนะที่พูดจาพ่นๆเลยนะ เพราะข้างฝ่ายแม่ไปาจุกจิกชี้จีแกก็เลยตัวก็เลยรู้อ๋อเออเราก็รู้สึกอย่างนี้กับแม่เหมือนกั น, นแม่ไม่ทากับพ่อพอเรามาเจอเองอย่างงี้นะกับแม่แล้วก็เห็นใจพ่อก็ได้คําตอบอ๋อเราที่เราแผลเมตตาให้กับพ่อก่อนตอนหลังเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยเบื้องลึกธรรมะมันเป็นตัวตเสนอมาให้ควรใช้ใครก่อน โดยเนื้อลึกๆกละใครดีกว่กันนะใครเป็นตัวปัญหาในถังลึกเม mm ื hmm. ่อก่อนก็แผ่แผ่ตามความรู้สึกจี่ตื่นเองก็แผ่ไปตามานี้น mm hmm. หรือเหมือนคนนี้คนสมมติหรอกอ่าคนสมงคนคนนี้โอ้โรู้จักจะมาเป็นสิบปีคนนี้ก็รู้จักเดือนโดยเพิ่มรู้จักเห็นหน้า mm hmm. แต่ว่าเอ๊ะทำไมมีพลังต่อความรู้สึกเรามากกว่าหาคําตอบไม่ได้ mm hmm. แต่ว่าพออยู่ในสมาธิซึ่งรู้โอ่อนนี่เขาเรียก ใกล้โดยโดยบุพกาธิการที่จะต้องเกื้อกูลถึงมาก่นไอ้คนคบกันตั้งนานแต่ว่ารู้จักนานนานก็นานในชาตินี้แต่ว่าไอ้ความเกี่ยวข้องในเรื่องของการเกื้อหนุนกันจะมีน้อยหรือว่าเนื้อแท้ของคนสองคนคนนี้เขามีพลังที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อกัารยิ่งมากกว่าถึงปรากฏ น, น, นพวกพระในเวลาท่าน เวลาท่านคบกสิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับปิโภคมันพูดถึงทราบทราปฏิบัตินะก็จะขึ้นคนที่เคยงจะขึ้นเราเรียกว่าขึ้นบางคนไม่ขึ้นวันนี้นี่เรียกว่าแผ่โดยคนแล้วก็แผลโดยทิศแผลมาแผลโดยทิศก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศิั้งสิบ น, นัดแผลโดยกูมเสด็จมี แผลไปตามลำดับภูมิแล้วก็แผลไปตามระยะทางก็แผลได้ทั้งหมดระยะทางใกล้ๆแต่ละโอกาสเนี่ยเราก็อาจจะแผลได้ต่างโอกาสกันไปถ้าไม่ถามดิก็แชลได้ให้น้่ง่อบไม่ต้องใช้เลยครับไม่คือันนี้ไม่ใช่คำห้ามนะ เพราไอ้คำท่องเนี่ยบางพอถึงตัวขั้นลึกแล้วมันเป็นตัวถ่วงตัวทําลายความรู้สึกนะม่ได้รืว่าคาท่องเนี่ยเราใช้เป็นสื่อบ้างต้นเท่านั้นแต่ว่าในทางลึกลต่อไปเนี่ยจะไม่ไม่มีผลเลยเจอใช้บ้างเนี่ยพูดถึงว่าอย่างกรณีที่ผมใช้บางทีเนี่ยเราไปเอาคาถาเอาพุทธภาสิตอื่นมาใช้กับการแผ่เมตตาในลักษณะเรียกแผ่แล้วก็หลับตาแล้วปลุกเสร็จ ลูกเสด้วยดิค่ะพูดว่าเราเราแพรให้คนเนี่ยนะที่หวกที่ว่าอ้โหอันตรายมันไปอยู่ในดงอันตรายแต่แล้วก็แพรเสร็จแล้วก็พ่อกระถาเอากระถามาช่วว่าเอา่อนะโมโปดีสัตุอกันติมายะอิติละกวาให้ของทู้่วยเดสว่างเราไปตามด้วยหรือแผรเอากระถามงกุฎพระพุทธเจ้า ติดกิโสวิเเศษวิทนเหงอ่าก็ได้หรืออาจจะใช้คำอื่นๆที่เราเราจะรู้เองว่าคำไหนถ้าถ้าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับข้อธรรมหรือพุทธปาปิเยอะๆนะบางทีก็เขาเราห่วงว่านี่เขาเขาจะต้องวุ่นวายเขาจะต้องกังวลใจเราก็อยากจะให้เขาเย็นล้วก็ใช้ระถา นิพพานังประมังสันตินิพพามังประมังสันติอย่างนี้นะทําท่าหรือจะทำในใจก็ได้นิพพานังปรามังสันติคือให้เขาหายระบวนการวายอย่างคนที่คิดใจเข้าหมองเราร้อนเนี่ยก็ใช้กระถายอย่างนี้หรือคนที่เราอยากจะให้เขาปรับนิสัยก็ น, นิดหนึ่งนะที่เขาแสดงออกทางกายทางวาจาค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเราก็กายโสเจยะ แต่กกายสะอาดคุณผูทศริทธาปะชีสวยจยียมะโนสวยเจียะนะท่องแล้วแล้วเราเราไปเพื่ออาศัยเป็นเป็นื่องช่วยในทางถล่มอะไรอย่างนี้นะฮะก็เราแล้วแต่เราจะพลิกแปลงได้อีกเป็นหลายอย่าง จำไว้ว่าเราเนี่ยมีทุนของความพร้อมทางกิตแค่ไหนให้ทำให้เป็นนิสัยไว้นะมีพลังน้อยแล้วก็ทำได้ผลน้อยก็ถือว่าฝึกเพิ่มพลังให้มีมากขึ้นแต่ถ้าเราจะหวังผลนะนี่พูดว่าถ้าขั้นสุดนี่มาควรทำแล้วก็ไม่หวังผลมากนะะแต่ถ้าจะหวังผลแม้ว่าคนจะเป็นสมาธิแล้วเนี่ยผมก็มักจะแนะนำหรือแม้แต่ว่าจะใช้เองเนี่ยก็จะ ไปเก็บตัวเข้ากรรมฐ า, านนะต่อภารกิจสำคัญที่เราจะใช้เมตตาเราเพ่ช่วยเนี่ยเพราะาตอนอยู่นั้นจะแรงมากจะรุนแรงมากนั้นเราถ้าเราจะหวังผลก็หาโอกาสไปเข้าสมาธิสักสิวันหรือถ้าเป็นเรื่องไลแรงนะ เ, นเรื่องชะตากรรมเรื่องชะตายีวิตได้แรงเนี่ยบางทีอาจจะต้องไปบวชสักเดือนสามเดือนแล้วแต่ ว, ว่าบวชปฏิบัต แล้วก็ใช้พลังที่เราได้จากการฝึกสมาธิมาปลดเพื่อปัญหาแผ่ให้ตัวเองได้แผ่ให้ตัวเองได้แล้วก็ควรแผ่แล้วต้องแผ่เสมอแต่สําหรับการฝึกเนี่ยยิ่งจําเป็นต้องแผ่แต่ว่าถ้าคนลอยตัวแล้วเนี่ยก็จะแผ่ไปตามความจําเป็นของเมตตาถ้าจะแผ่เพื่อแก้ปัญหานะ <c oughs> เช่ไนะหฮะพอแพ่ได้ทุกแพ่ได้ทุกอย่างเลยจะเกี่ข้อเนะี่ยไม่สำคัญให้เรายิ่งทำนานยิ่งดียิ่งทานานยิ่งดีเพราะให้เราแพ้มากไปเนี่ยมันถ้าเรามุ่งในทางฝึกเนี่ยก็คือการเพิ่มพลังเมตตาให้มันแรงขึ้น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 เพียงแต่วาเร า, เาบำบะต้องเสนอความต้องการนั้นด้วยวิธีธรรมะใช้บุญเข้าไปช่วยทีนี้ถ้าถามว่าเป็นความโลภไหมบอกเป็นความโลภที่ชอบทำแล้วก็ถ้าถ้าภูมิทํามเราสูงขึ้นเนี่ยนะไอ้เมตตาก็สูงขึ้นคือไอ้คนเนี่ยมันก้าวกระโดดไม่ได้แล้วครับแล้วไปสอนเด็กเนี่ยไปแผลเมตตาเ อ, อ้ยังด็กอยู่เลยบอกว่า ให้ยังงู้อย่า ง, ง, นยงนี้นะอย่างเป็นความต้องการผู้ใหญ่ก็แผ่ไม่ออกนะแต่เม่ตาตัวเองเราของแฟง ไ, ได้ทุกตาทุ๊กตาไปให้ได้แะ่นียเยอะๆไปอย่างนี้ก็แผ่ออกแล้วก็ค่อยเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเราต้องค่อยๆเลื่อนขึ้นไปตามลําดับบางทีเราอยู่สูงบางทีไอ้ความจํานงหวังหรือปัญหาเนี่ยเบื้องต้นเรามีใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราปูนทำสูงแล้วปัญหาเบื้องต้นเราจะหมดเราก็ต้องแก่ ถามาคนธรรมะสูงเงินขาดเมีได้ไหมตอนนี้ยิ่งง่ายเลยเศรษฐกิจไม่ดียอย่างี้นะมันก็คือปัญหาเบือนน้องต้นหรือคนมีธรรมะสูงโอกาสที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ไหมได้นั่ก็เป็นปัญหาทางกายภาพเบือนน้องต้นฮะได้ทั้งนั้นเลยครับและถือว่าดีด้วยนะ เขาเรียกว่าแผ่เมตตามันมีเมตตาแบบอยู่ในสีมากับไม่มีสีมาสีมานเนี่ยแปลว่าพรมแดนสีมามันพัทสีมาแปลว่าเขตแดนของโบสถ์เราเรียกใจกระบสถนะแต่ตัวภาษาหมายถึงแดนอะไรก็ได้คนที่แผ่เมตตาในขอบเขตจํากัดแสดงว่าลพลังเมตตาน้อยถ้าแผ่เมตตาอย่างไม่จํากัด เ, เชื้อชาติศาสนาไม่จํากัดอความเกี่ยวข้องสูกขันถือเป็นเมตตาชั้นสูง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 มีใครที่แผ่เมตตาทุกวันบ้างไหมมีใช่ไหมมีใครที่แผงเมตตาเป็นปกติมาอนเราเจออะไรก็มาแค้แผงเมตตาอยู่เลยแล้วถ้าแาจะเงยบดีีดีแล้วถ้าคนมีเมตตาเนะี่ยหน้าจะฟ้องนะหน้าจะฟ้องมีเมตตาเยอะๆซูเมตตาเข้าไปสู่เนื้อหนังมังสาแล้วขนาดตัวที ก็ผลเยอะนผลเยอะเพราะว่าตรงนี้เรายังไม่ไม่ไมบังเอิญเรายังไม่ได้บรรยายอาจจะไปเก็บประมวนบรรยายหลังจากที่ภาคฝึกผุดผ่านไปแล้วเพราะเมตตาเนี่ยมันมีผลแต่ว่าถึงยังไงเนี่ยที่เราฝึกว่าใช้มเมตตาเพื่ออะไรนั่นก็คือในแง่ผลในแง่ผลที่จะเกิดขึ้นเถึงี้ว่ามเมตตาป้องกันสาธาราพุทธป้องกันอันตรายยาพิษต่างๆได้ได้จริงหรือ เราแค่ไม่แน่ ใ, นใจอีกไหมเขาบอกว่าจริงบ้างไม่จริงบ้างในบางคนแต่ที่ท่านพูดเนี่ยท่า น, น, นไม่ใช้เมตตาเจโตวิมุตติคือเมตตาที่สมาธิถึงขั้นอานาปนาแล้วก็แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแหละดับพิษไ ด, ด, ด, ด้ดับพิษน้ำกรดดับพิษยาพิษได้จริงๆแล้วก็ให้พวกสกาวุธเนี่ยป้องกันได้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 จะมาทำร้ายเราเนี่ยเมตตาจะจะเป็นเครื่องแก้ที่ดีที่สุดคนคนโทรศรัพลิตเนี่ยจริงแพ้คนมนีเมตตาเสมออ่ะไม่ว่าที่ไหนสังเกตไหมคนที่มีเย็นเนี่ยคนร้อนจะแพ้ คือประกอบชัดๆก็ดีในแง่ที่ว่าทําให้มันมัน แ, แ, แล้วแต่เราจะแปลแบบไหนได้นะีะถ้าแฝงเพื่อถอนอความปู่เวนะถ้าเร่องแฝงผู้ที่สูญสลเนี่ยเอ่ยชื่อจะทําให้เกิดการสื่อความหมายแก่ผู้ตายนะหรือแม้ผู้ไม่ตายในกานไม่เจตนาแล้วเราพุ่งตรงไปที่คนนั้นว่าคนหน้าตานี้ที่เรานื้ถึงอยู่ชื่อและนามตระกุลนี้ไอ้ไอ้นี้ก็ก็แป ล, ลว่าว่าถ้าจะแฝลเม่แฝกุศลเเหมือนอย่าง ถ้าครไปฟังการนิพนธ์จะมีคนหนึ่งชื่อคุณชันผมก็ก็วันนั้นคุยกันว่าเล่าให้ทีประชุมฟังไปนะแต่จะเล่าให้ฟังจะนีที่แกป่วยหมอตั้งสามโดงพยาบาลกเป็นโรคหัวใจล้มเหลวเลยเนี่ยนะฮะแล้วแบบเอ็กซเลย์แล้วรักษาไม่หายนี่ก็มาปฏิบัติธรรมแล้วกับปวดอย่าง น, นะเออก็ ที่นี้มันทำธุรการที่มันได้ข้อมูลไอเดี่ยวกล้องไอทะเลชายังไม่ถึงเครื่ระลึกได้ว่าตัวคุณชั้นเนี่ยเคยไปฆ่าปูไอปูที่เอามัดเอาเยือกมัโดยแม่ผัวเนี่ยตั้งให้ฆ่าเพื่อจะไปทําบุญ <c oughs> ใ, ใช้บาปเป็นทุนทําบุญใน <c oughs> บาททีนี้แม่ผัวก็บอกว่า ตัวเ ข, ขูกกระพริบกันไม่รู้ไปจะทาไหนมันตายแต่ผัวเขาบอกว่าโอ้เอาตะเกียบไอมไม้แหลมๆมนนะเนี่ยแทงหน้าอกมันตัวละสามทีสามทีตายสมบราิสนามแม่ผัวเครื่องเลื่อนในแวนะเลื่อสนิทเลยแม่ปูแก่สามตัวก็เห็นมันเลยครับเห็นสมาธิเห็นเลยมันปอปวดวัดเลยพอทำสมาธิมันเชื่อมติดกันเลยปูโบ เห็นเป็นรอยเห็นการตายเห็นการแทงเห็นนัหน้าตาก็แผ่ที่แรกแค่ว่าแกก็แผ่ที่แผลไม่หายปวดแกต้องพูดในใจว่าขอพุดทิศส่วนมุสรที่ทาทั้งหมดบุญที่ทําเนี่ยโดยพร้อมทั้งขอโอสถด้วยแกปูชนิดนี้สามตัวนี้ที่ได้ทำในมาแล้วในตอนนั้นด้วยอาการอย่างนี้หายเป็นเปลืกทิ้งเลยยัางก็ะเรื่องโอ ไม่ดูคุญแจนี่นก็โอ้โหไไอ้ เ, เ, เนี่ยจอมาเยอะเจอมาเยอะเอเอก็เลยได้ได้ความสังเกตที่แน่ชัดขึ้นเพราเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ก็ใช้อยู่กันถึงต้องเอ่ยชื่อต้องเขียนชื่อเี่นะบางทีต้องเอาลูกมาต้องมาตั้ ง, งให้ชัดเวลาที่เราเราเราจะแผลในตาช่วยคน ต้องพกรูปไปด้วยพกรูปไปเวลาไปปฏิบัติผมผมทำบ่อยปแปแกๆเราไปสุกเมื่อวีไปเจอพวกคนโดนข้าว โ, โดนของโอ้ยเราจะตายด้วยเนี่ยหมอที่ที่โรงพยบาบาลนี่แหละทั้งคู่หมอทั้งคู่ว่าเรื่องแปลกมันเป็นประสบการณ์เขาเลยนะเราก็ไม่รู้ไม่เห็น โลุกไปอธิษฐานโอ้โหที่เกิดมาไม่เคยนั่งสมาธิปวดแบบนี้มันปวดแบบเหมือนใครไปบิดกระดูกเข้าห้องพักยังปวดเลยอ้าวปวดนั่งอยู่ไม่ดีเลยรุ่นนั้นโดนคนข้างหลังลินถ้เพ่อข้ารชุตเทศานั่งยุบก <c oughs> ็ไม่รู้เราจะไปบอกใครก็ไม่ได้ก็ปวดให้ก็เลยนึกทำใหมเลยเลยต้องหยุดดแผลไปก่อนแล้วก็ลูกเนย เือไหมเอาไว้ในห้องนอนอย่างปวดเลยให้น้ํามันทาผมทาจนโอ้โหหมดขวดเลยนะปกติไม่เคยใช้อะ่ะน้ํามันที่ว่าให้มันน้ํามันเหลืองอะ่ะทาจนหมดขวดเลยต้องย้ายี่เออหายได้ไนะมไม่ปวดอะ่ะถ้าย้ายไปแต่เราไม่จริงนะ่ะอันนั้นก็เออตอนที่เราสงสัยว่าเรายังไม่พร้อมที่จะทามันแรงและสระโมจะมานั่งทำํำอยู่ก็ไม่ต้องทากรรมาฐาน ไปการแผนะ่เมตตาเราแผ่นลักษณะเป็นผลพลอยท้ายขโมยก็ตอนนึกได้หรือบางโอกาสในะนีระเนี้ก็มีอีกคนนี่เป็นลูกชายเรียนมาอะไรลูกชายคนเดียวก็มีปัญหาให้พ่เพีททำนองนี้ไปไม่มีลูกมีเจ้ากับคนครอบครัวฉันตังนะฮนะ แตัวบางพอจะมีอาชีพก็เอาโลกของเงินหนอทองพูดก็ไม่รู้เรื่องเลยพูดก็ไม่รู้เรื่องเหมือนคนประสาทก็ไม่รู้เป็นไงเพราะว่าผมออกไปเข้าประสาที่สิบวันก็กาให้โลูกมาไปช่วยแต่ไม่ได้ไปตุ๊กตี่ันนี้ไม่ได้ดูแต่ในกติธรรมเป็นโอกาสโอกาสก็เห็นโทรมาที่บ้านเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไงไม่จด้เจอันนี้ก็ ลูปหนึ่งของเมตตาที่ใจนะก็ลองลองไปฝึกฝกขันขัดดูเนี่ยก็จ ะ, จะมีเรื่องแบบแบบที่มันเป็นประโยชน์เรื่องเหลื่อเชื่อแต่มันสาระมนันไม่อยู่ที่เชื่อไม่เชื่อมันช่วยได้ก็แล้วกนนะช่วยได้แก้วนานได้ก็นำมาดี พูดว่าไอ้ตายแล้วเราไม่รู้ไม่เห็นนช่นะฮะมันก็เราก็ไม่ติดถีนหรอกแต่ว่าถ้าเราปรารถนาจะทําเมตตาให้มันดีขึ้นไม่ไม่เป็นส่วนรับรู้สำหรับรวยอ้อมเราก็ไม่ต้องไปกินนะแต่คนกินก็ไม่ใช่ว่าจะบาปในที่แง่ข่านะอ่ะก็ก็นี่ว่าเป็นหลักข้าวกล้าตอนเบื้องต้น ไ ม, นะไม่งั้นจะให้พูดแทนแสดงวาเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันเพื่อให้เราเองแนว่ทีเราก็ไม่รู้อะไรอีกหลายอย่างนะหลชีวิตเราเนี่ยใครไข่งที่เห็นตัวไม่เห็นตัวอย่างเงี้ยมันมันเยอะเราถ้าเราเข้าใจพวกนเนี้ยก็จะช่วยช่วยใช้ไอ้เทคโนโลยีทางจิดเนี่ย อินน็ตไปได้เท่าโลกฮนะอ่านอะ่านอะ่าแค่นี้เป็นเป็นวิธีแบบธรรมะจริงๆนะเป็นเรื่องของธรรมะรวนๆเลยแล้วก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งการแก้ปัญห วุคิส่วนผสมตอนท้ายกันกนะ่อยกันแผนเน่เมตตาแบบวุธิส่วนผสม mm hmm. ประมาณสนะิบนาทีเวลาที่เหลือเนี่ยนะน <c oughs> าทีขอให้ทุกท่านนั่งเรื่ออาการสงบ สทุรนก็คือการฟังธรรมการฝึกพิจารภาวนาที่ได้ทำในโอกาสนี้ในครั้งนี้หรือเป็นบุญขั้นสูงและบุญที่เราได้ทำ <c oughs> ในส่วนอื่น <c oughs> ที่เป็นบุญเด่นประจำตัวท่านเป็นบุญสัญญาลักษณ์ประจำชีวิต แก่ได้จะทํามานานแล้วเห็นบางท่านอาจจะบวชมาตั้งยี่สิบปีแล้วแต่ว่าท่านประทับใจในการบวชนั้นมากก็ถือเป็นบุญเด่นของท่านหรือท่านเคยสร้างพระพุทธรูปถวายวัดสักองค์เดียวตั้งสิบปีผ่านมาแล้วก็ถือเป็นบุญที่ท่านยินดีปรีดาประโมทมากที่สุดจะเป็นบุญเด่นหรือเคยสร้างโบสถ์ อ้างเมรุหรือเคยรุนนิบัติพระผู้ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบที่ท่านพระท้ยาใามากหรือเป็นบุญเด็ดแต่ละคนก็จะมีแตกต่างกันหรือการเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ก็เหมือนกันและบุญที่ท่านได้ทำก่อนหน้านี้เป็นบุญสดๆร้อนๆแม้ว่าจะไม่ใช่บุญเด็ด ก็เป็นฐานะบุญที่ควรจะไม่ถึงก่อนเป็นลำดับที่หนึ่งที่หรือที่สองมี่อันหนึ่งและบุญที่ท่านทำแบบต่อเนื่องเป็นอากิณกรร์ไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กๆน้อยๆบางทีก็เป็นบุญที่เป็นอาชีพของท่านหรือเป็นบุญที่ไม่ได้เป็นอาชีพเอ็นใส่บาตวันองค์ทุกวันหรือวันเว้นวันก็แล้วแต่ หรือเป็นเจ้าภาพทอดกระถินผ้าป่าทุกปีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอาจินกกับที่ทำต่อเนื่องบุญเหล่านี้เป็นสิ่งควรนึกถึงก่อนและจะมีผลปรากฏแก่ดวงจิตทันชัดเจนมาถ้าเรามีเวลามากเราก็นึกถึงบุญอื่น มีเวลาน้อยก็อาจจะนึกรวมๆกันไปและขอให้อ้างถึงบุญเหล่านี้แหละที่เราได้ทำแล้วและเราขอแผ่บุญนี้ด้วยเมตตาจิตให้บุญนี้แก่ผู้อื่นด้วยเมตตาจิต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 เรื่องสองเรื่องหรือสามเรื่องขอให้อำนาจบุญนี้จงสักสไล่ส่งปัญหานี้ขจัดปัญหานี้ออกไปจากชีวิตโดยขึ้นเชิงเด็ดขาดหรืออ่อนกำลังลงจนสลายหายไปในที่สุด มีเวลา ท, ท่านสามารถจะนึกได้เป็นชั่วโมงชั่วโอธิษฐานได้เป็นชั่วโมงมันจะได้ทั้งบุญใหม่คือสมาธิภาวนาและได้ใช้พลังบุญเก่าและได้ใช้พลังสมาธิภาวนาในขณะนี้ประกอบด้วยพลังบุญขัดจัดปัดเป่าปัญหาชีวิตของท่านซึ่งจะดีวิเศษกว่าพลังอย่างอื่นทั้งหมด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 ยรวดเร็วบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงในขณะที่อธิษฐานนั้นอย่าโลภให้อธิษฐานอย่างสันโดษและอย่างปล่อยวางสำเร็จเมื่อไรเราก็พร้อมจะรอได้สำเร็จแค่ไหนเราก็ยินดีที่จะรับ และไม่ระ ก, กลุมตะกรามที่จะต้องให้เกิดผล น, นั้นให้ได้ด้วยอำ น, นาจของกิเลสเหมือนเราอธิษฐานด้วยจิตสงบนิ่งเหมือนคนยิงแต่เราไม่ได้ยิงเทวอธิษฐานแบบสำรวปเหมือนพระที่เราอยากจะทำบุญด้วยโชคชะตาในชีวิต เขาก็อยากจะเข้ามาหาคนที่มีอาการไม่มักได้ไม่ใจร้อนกับราบผลเช่นเดียวกันขอให้ท่านแผ่บุญของท่านเมตตาของท่านแก่บุคคลทั้งที่เป็นมนุษย์หรือที่เป็นหนามนุษย์ที่อยู่ในอนาบริเวณนี้ บริเวณธรรมสถานที่เป็นคนสำคัญของสถานที่แห่งนี้โดยลำดับโดยลำดับแล้ทั้งหมดท่านจะรู้จักคุ้นเคยหรือไม่กระทังผู้ที่มาใช้บริการในขณะนี้ในชั่วโมงอื่นวันอื่นทั้งผู้มาให้บริการ ที่เป็นมนุษย์และเป็นเทวดาทั้งที่เป็นผู้มีกายยางและกายละเอียดทั้งอยู่ในสุขติภูมิและอยู่ในทุกขติภูมิขอให้ท่านส่งความคิดไปให้ทั่วบริเวณรวมทั้งผู้ที่มีส่วนสร้างสถาบันนี้สถานที่นี้ให้เกิดขึ้น เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนไม่ว่าท่านจะทำกาละไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ขอให้ท่านขยายความคิดของท่านออกไปยังนอกอาณาบริเวณของธรรมสถานให้ทั่วมหาวิทยาลัย ส่งความคิดความปรารถนานของท่านให้บุคคลเหล่าอื่นจงได้รับรู้ร้อมเพียงกันทั้งหมดแต่รู้โดยตรงโดยรู้โดยอองกระตาขอให้ได้รับบุญของเราทั่วกันทั้งหมดเมื่ออนุโมทนาแล้วขอให้ได้รับส่วนกุศลที่จะพึงปรากฏ ในรูปใดรูปหนึ่งมากหรือน้อยประสาจงปรากฏกุศลด้บาปแก่ทุกคนขออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีส่วนสร้างทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เกิดขึ้นซึ่งได้แก่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่5และที่6ที่เมียนุษาวรีอยู่ที่นั่น ทรงได้รับเมตตาของเรารับบุญของพวกเราทั้งสองโกที่เราถวายเป็นเครื่องบูชาสการะขอให้ส่งขิดแผ่จิตคุมครอบไปให้ทั่วบริเวณจิตเราแผ่ไปถึงไหน <c oughs> ที่เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์จงได้สัมผัสกุศลจิตสัมผัสเมตตาจิตได้รับบุญกุศลของพวกเราทุกคนและพ้นจากอุปสรรคอันตรายทุกอย่างทุกประการที่ท่านจะรู้อยู่หรือไม่รู้อยู่ก็าตามที่เกิดแล้วหรือยังไม่เกิดก็าตามให้ประสบสิ่งที่พึงปรารถนา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 ทั่วกันอสมควรแค่เวลาวันนี้ปิดประจุมเพียงเท่านี้ครับเราก็จะอุทิศส่วนกุศลกันทุกครั้งนะหลังจากจบการกิจในการผลกิจแล้ว